กว่าจะเป็นสังคีติได้ก็สัทยายกันแม่นแล้ว 2. ในเรื่องการสัทยายที่ใช้ในวงกว้างคือการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าขอพูดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยบอกแล้วว่าในสมัยก่อนโน้นยังไม่มีเครื่องบันทึกเสียงและโรงพิมพ์ก็ยังไม่มีต้องยอมรับว่าความถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงของข้อมูล เป็นฐานเป็นจุดเริ่มสำคัญที่สุดทำอย่างไรจะมีข้อมูลที่แม่นที่แท้ไว้ใช้ไว้ศึกษาในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่พระภิกษุแต่และรูปจึงท่องจำกันจนชำนาญคือมีการสะทยายกันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันซึ่งกลายเป็นการฝึกความจำไปในตัวอย่างที่เราจะเห็นได้ชัดว่า คนเรานี้ที่จริงมีความสามารถในการจำมากกว่าที่หลายคนคิดว่าจะเป็นไปได้เช่นเวลานี้มีพระพระมาศศ่าสืบต่อกันมาไม่ขาดที่จำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดเป็นหมื่นหมื่นหน้าในพุทธกาลนั้นพระภิกษุแต่ละรูปคอยตามข่าวว่าวันนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องอะไรถ้าตัวไม่ได้ไปฟังเองก็จะถามองค์ที่ไปฟังมาว่าวันนี้พระพุทธเจ้าเทศอะไร อาท่านว่ามาให้ฟังซิองค์ที่ถูกถามก็สาธยายให้ฟังองค์ที่ถามฟังแล้วก็สาธยายเพื่อให้แน่ใจว่าตนได้พระเทศนานั้นที่จะได้นาไปศึกษานี่คือการสาธยายจึงสำคัญมากเพราะจะได้แน่ใจว่า 1. ตัวเองได้สิ่งที่ฟังมา 2. แล้วก็มาบอกคนอื่นได้ถูกต้อง ต้องบอกให้ตรงนะเดี๋ยวกลายเป็นบอกผิดไปถ้าบอกผิดไปถือว่าเสียหายมากจะกลายเป็นตูพระพุทธเจ้าหรือทำให้เกิดสัจธรรมปฏิรูปจึงต้องสาทยายให้แม่นให้ตรงโดยเฉพาะพระที่เป็นครูอาจารย์จะติดตามพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษเพื่อว่าเวลาพบปะสอนลูกศิษย์ก็จะได้บอกเล่าพระธรรมเทศนานั้นให้ได้ทั่วกัน ในพุทธการจึงสืบต่อพระพุทธศาสนากันมาได้อย่างดีทั้งที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสารอย่างปัจจุบันในบรรยากาศของพุทธการอย่างที่ว่านั้นพระภิกษุทั้งหลายจึงมีการฟังมีการสาธยายเป็นเรื่องของชีวิตประจําวันอย่างที่ว่าแล้วเรื่องที่ได้แล้วท่านก็สาธยายทบทวนไว้เรื่องใหม่ก็เพิ่มมาเรื่อย จึงเป็นธรรมดาว่ามีพระเทระมากมายที่รักษาคือจำพุทธพจน์จำพระสูตรไว้ได้มากมายเท่ากับชีวิตในพระศาสนาของตัวท่านบางองค์ก็จำได้แทบจบแทบครบทั้งหมดในปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นได้ที่ว่าในเมืองพมา่าหรือเมียนมายัางมีคล้ายเป็นประเพณีให้มีพระที่มีตำแหน่งเป็นติปิตกะธรคือผู้ทรงพระไตปิดก และบางทียังมีอยู่พร้อมกันหลายองค์ด้วยแต่ละองค์ท่องจำพระไตรปิฎกได้หมดทั้งสองหมื่นกว่าหน้าโดยมีการสอบตามที่จะจัดสแสดงว่าพระไตรปิฎกเป็นหมื่นๆมื่นหน้าเนี่ยคนเดียวจำได้และมีจริงเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันในสมัยพุทธกาลก็มีเป็นปกติอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือพระแต่ละรูปถือเป็นหน้าที่หรือเป็นเรื่องชีวิตประจาวันของตัว ที่จะต้องตามรู้ตามฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ทันกับพระธรรมวินัยที่เวลานั้นยังมีเพิ่มเติมอยู่เรื่อยแทบทุกเวลาพูดเทียบคำสมัยนี้ว่าไม่ให้ตกข่าวทั้งตัวเองก็อยากรู้อย่างพระปุถุชนก็ว่าต้องให้ทันพวกไปฟังมาแล้วพอได้โอกาสก็ปลีกตัวไปเข้าที่สงบหลีกเร้นแล้วก็มีสติทาการสาธยาย แล้วก็พินิจพิจารณาวิจัยไปให้เกิดให้เจริญปัญญาก็เป็นการศึกษาและนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมที่นี้ต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานจะทำอย่างไรอย่างที่รู้กันดีแล้วพระมหากัสสปะก็ชวนบรรดาพระอาหารหันตเทระที่มาพร้อมกันมากที่สุดในคราวถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ให้มาประชุมกันรวบรวมพระธรรมวินัยพูดง่ายๆว่าคำสั่งสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าที่จะได้ยอมรับยืนยันพร้อมกันแล้วรักษาไว้เป็นหลักสืบไปทีนี้ก็เลือกได้พระอานุนที่เป็นพระอุปัฏฐาประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าซึ่งจำพระสูตรพระพุทธธรรมเทศนาไว้ได้มากที่สุดแม่นที่สุดให้ทำหน้าที่วิสัชนาพระสูตร ที่จริงองค์อื่นก็จำกันได้มากมายองค์อื่นก็เท่ากับเป็นผู้สอบทานคือมาตรวจสอบคำของพระอานน์แล้วพระอุบาลีผู้เป็นเอตัทัคคะในบรรดาภิกษุผู้ทรงพระวินัยคือวินัยธรก็ได้ทำหน้าที่วิสัญนาพระวินัยเมื่อเข้าที่ประชุมแล้วพระมาหากัสปะองค์ประธานก็ทำหน้าที่ปุจฉชา้า คือถามพระอุบาลีจนจบเรื่องพระวินัยแล้วก็ถามพระอานุนจนจบพระสูตรจบทั้งห้านิกายก็สาธยายให้ได้บันทึกคือจำกันไว้เช่นว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จประทับที่นั่นมีเรื่องนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้บัญญัติวินัยข้อนี้ว่าอย่างนี้หรือได้ตรัสแสดงธรรมว่าอย่างนี้ท่านผู้อยู่ในที่ประชุมนั้นก็รู้มาคราวเดียวกันบ้างต่างคราวกันบ้าง บางองค์ก็รู้มากบางองค์ก็รู้น้อยบางองค์ก็รู้เรื่องที่นั่นบางองค์ก็รู้เรื่องที่นี่ก็ได้ตรวจสอบพระอุบาลีและพระอานนอนไปด้วยว่ารงกันไหมจนกระทั่งในที่สุดไม่ยอมรับร่วมกันโดยทวนทานกันแล้วยอมรับตกลงเป็นมติที่ลงกันแล้วก็<ด>ตั้งเป็นแบบไว้สืบต่อไปด้วยการสวดพร้อมกันเรียกว่าสังขยนา หลังจากสังคยานาถือว่ามีพระธรรมวินัยกันครบถ้วนเท่านี้แล้วก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระทุกรูปที่จะรักษาไว้ทั้งเพื่อถือและใช้เป็นหลักเช่นในการตัดสินวินิจฉัยเรื่องพระธรรมวินยัยแล้วก็ใช้เพื่อการศึกษาการสั่งสอนเผยพระทุกอย่างที่นี้การที่จะรักษาไว้ได้วิธีการก็คือสัทยายาอย่างที่ว่ามาแล้ว ตั้งแต่การสาธยายเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลและที่เป็นของกลางก็คือการประชุมหรือชุมนุมกันสาธยายพร้อมกันเป็นหมู่เป็นคณะที่เรียกว่าคณะสาธยายคณะสาธยายคือการสาธยายพร้อมกันสวดพร้อมกันนี่แหละที่เป็นหลักในการรักษาพระธรรมวินยัยสืบกันมาท่านรรมาเหมือนกับแบ่งงานแบ่งหน้าที่กัน จะเรียกว่าจัดหน้าที่ให้ก็ได้นี่ก็คือพุทธพจน์หรือเรียกรวมๆ ว, ว่าพระไตรปิฎกนีแบ่งเป็นหมวดหมวดเรียกว่าทีฆนิกายมัชฌิมานิกา ย, กายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายขุตกะนิกกยก็จัดแบ่งภาระกันไปพระเทระองค์นี้เชี่ยวชาญในทีฆานิกกยก็เป็นหัวหน้าแล้วก็มีลูกศิษย์จำนวนมากมารวมกันเป็นคณะใหญ่ นอกจากศึกษาให้รู้ชำนาญในทีฆานิกายนั้นแล้วก็พร้อมกันสัธยาทีขานิกายนั้นเป็นประจำเพื่อรักษาไว้ให้มั่นใจก็รวมเรียกคณะนี้ว่าทีขาพานกานี่เห็นไหมที่นี่ใช้คำว่าพานหรือานอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าสวดบางทีก็ใช้คำว่าพานที่นี่ทีขาพานกาก็แปลว่าเป็นพระพวกที่สวดทีฆานิกาย และอย่างที่ว่าแล้วที่ว่าสวดไม่ใช่หมายความว่าสวดเฉยเฉยต้องถึงขั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในทีฆานิกายนั้นเลยทีเดียวหมายความว่ารู้ความหมายรู้คำสอนในทีฆานิกายนั้นอธิบายได้ด้วยแล้วก็มีหน้าที่จํารักษาไว้ให้แก่ส่วนรวมทั้งหมดด้วยต่อจากทีฆาพานกาก็มีพานกาคณะอื่นๆทั้งมัชิมภานกาสัยุตตพานกา อังคุตระพานกาคุตกะพานกาแม้กระทั่งชาตกะพานกาธรรมบทพานกาตลอดจนขันธพานกาทางด้านพระวินัยและนักอภิธรรมก็เป็นอภิธรรมมิกานี่ก็คือว่าเมื่อได้ผลมติจากการสวดพร้อมกันในสังฆยานาแล้วก็เอามารักษาสืบทอดด้วยการสวดพร้อมกันโดยสาธยายเป็นหมู หรือประชุมกันทำคณะสาธยายจากการที่แต่ละองค์สาธยายของตนของตนแล้วสิบองค์ร้อยองค์ก็มาสาธยายพร้อมกันเป็นคณะสาธยายเหมือนพระสวดมนต์นี่เมื่อเป็นคณะสวดพร้อมกันองค์ไหนองค์ไหนก็สวดผิดไม่ได้เพราะถ้าผิดตัวเดียวก็ขัดกับพวกแล้วไปไม่ได้เพราะฉะนั้น วิธีสวดพร้อมกันนี้จึงถือเป็นสำคัญในการที่จะรักษาคำสอนให้คงทนอยู่ได้แม่นยำขอให้ดูอย่างของพราหมณ์นั่นเขาสวดกันมาตั้งแต่ยุคพระเวทสองสามสี่ห้าพันปีจนเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งที่เขียนตำราเรื่องของอินเดียก็ยอมรับว่าพวกฤาษีท่องจำทร ง, งจำพระเวทไว้อย่างเดิมเลยไม่มีเปลี่ยนไม่มีผิดพลาดของพุทธเรานี่ ก็ต้องมีคณะสาธยายไว้การที่ว่าพระธิคาพานกาก็สวดธิฆานิกายมัชิมะพานกาก็สวดมัชิมนิกายอะไรอย่างนี้จัดเป็นพวกพวกไปก็รักษาพุทธพจน์ไว้ได้เป็นอันว่าการสาธยายนี้หนึ่งใช้ในการศึกษาในส่วนของแต่ละบุคคล 2. ใช้ในการรักษาพุทธพจน์คาสอนของพระพุทธเจ้าโดยกลุ่มโดยหมู่ที่ใช้วิธีคณะสาธยายคือสวดพร้อมกันและนั่นก็เป็นแบบแผนสืบมาที่ทำให้เราได้มีการสวดมนต์ทั้งส่วนตนและเป็นกลุ่มเป็นหมู่ในปัจจุบันนี้จะเรียกว่าเป็นต้นทางก็ได้แต่ที่นี้ระบบการปฏิบัติของเราเวลานี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว เราไม่ค่อยใช้สาธยายในการเรียนส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ใช้คณะสาธยายในการรักษาคําสอนเราบอกว่ามีคำภีพระไตรปิฎกจาวรึกไว้แล้วพิมพ์เป็นเล่มแล้วมีแม้กระทั่งที่เป็นดิจิทัลเพราะฉะนั้นเราก็จึงละเลยไม่ใช้วิธีสาธยายซึ่งก็ทําท่าจะค่อยๆ่อเลือนหายไปแล้วเราก็เหลือแต่การสวดมนต์ แต่แล้วก็เข้าทำนองเดียวกันอีกเราสวดมนต์ไปสวดมนต์มาเราก็ลืมความหมายเดิมที่ว่าท่านให้สวดมนต์เพื่อจะได้สะทายายคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้คิดพิจารณาคำสอนของพระองค์ให้ได้ศึกษาและนำไปใช้ไปปฏิบัติเอ๋พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้เราเอามาสวดมาสะทายายก็ดูซิว่าเราเข้าใจความหมายดีไหม แล้วเราจะเอาไปใช้ไปปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้จึงจะเรียกว่าตรงตามความหมายเดิมของการสวดสาธยายแต่ตอนนี้เราสวดกันไปอย่างนั้นเองใช่ไหมก็สวดไปเพลินเพินและบางทีก็เคลิ้มเลยจะกลายเป็นกล่อมตัวเองหรือกล่อมกันเองจะว่าเจริญสมาธิก็ไม่ใช่แต่คึกเคว้ยออกไปแล้ว ที่จะได้ก็คืออาจจะหลับไปเลยแล้วเราก็อาจจะบอกว่านี่ก็เป็นการใช้ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งคือช่วยให้นอนหลับแต่อย่าพอใจแค่นั้นควรจะพากันไปให้เข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าและอีกขั้นหนึ่งคือรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสาธยาที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยอย่าลืมอย่าทิ้ง แม้มีคำสอนมีคำพีมีการพิมพ์แล้วเราก็เอาสัทยายมาใช้เป็นประโยชน์ได้ต่อไป